ยานเวทหรือว่ามีเวทนะเวทนี่ก็ไม่ใช่เวทมนต์นะแต่หมายถึงยานที่เป็นเครื่องทะลุโมหะ <c oughs> ก็คือทำให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นมาอันนี้เป็นเวทที่ยิ่งใหญ่ประเสริฐกว่าเวทมนต์คาถาซึ่งคนส่วนใหญ่นะก็แสวงหา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 ิิธภลายแห่งก็ปิดนะแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยชื่อว่าส่วนฟล็อกเนอร์พาร์คหรือว่าวิจิลแลนด์พาร์คเปิดย4สีชั่วโมงนะวิจิลแลนด์นี่เป็นชื่อของอศิลปินนะซึ่งสลักหรือว่าเป็นทสลับทำสลักเป็นรูปต่างๆเป็นรูปคนนะ ในนั้นเนี่ยจะมีรูปสลักนะประมาณสองรอกว่าชิ้นเป็นรูปคนทั้งนั้นแหละตอนที่เดินไปช่วงแรกต้นๆ น, นี่ก็เป็นรูปเด็กนะเด็กน่ารักเด็ดกกำลังสนุกสนานรื่นเริงแต่พอเดินไปเดินไปเด็กก็ค่อยหายไปกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความสุขนะ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 อ่ะแล้วก็เช้านี้ก็เท่านี้อ